หกสิบอรรถตุที่ธนาคารแบงค์นัลลดิฉันต้องการเปิดบัญชีน้าลูบนดูข้าตยนุทเรียลูอิสต้าปัดุตเตเ นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉันอและนี่ที่อยู่ของดิฉันอดลาดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉันมาลอิสุน่ดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน น, น้ न न ब ब นาหนู न न क क นันน่ะข้าต์เตินดาฮารนาเตกิจุคุณลัลูอิสตาพอดุตเนดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีน้าหนูนันน่ะข้าตียาเลขะปัตติอันนู้เตกิจุคุณดูฮกัลูบันจิด่ิฉันต้องการแลกเช็คเดินทางน้าหนูวนดูปราวาสีเช็ a กันนู้นักด่ากิสัลบัยสุต ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะเยสตุชุลกานีดเบกุดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะนานูเยลลีสหิฮากเบกุดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันนานูเยรมันอินดาฮาวรกาวนายนูนิริกชิสุติิเดเนนี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน อิดูนันนาแบงค์คาทียสังเกตเงินเข้าหรือยังคะฮนาบันดีเดยดิฉันต้องการแลกเงินนาหนูอีหนวันนูวินิมัยสัโลอิสตปดุกเตเนดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐนันนกออเมริกาดาดอลลาร์กูเบคู กรุณาขอแบงก์ย่อยค่ะนันอะไรันน่มูลยดาโน๊ตกระนนูกดีที่นี่มีตู้เอทอมไหมคะไาม่ทั้งหมดทั้งหมดทัดทัมดรถถอนเดงิมได้งท่าไห ร, ร, รดคั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดั้งหมดทั้งทัด้งด้งหมดงด้บัง้งงดด้้ง